การดำเนินเนื้อเรื่องของบทนี้ได้กล่าวถึงนบีบางท่านโดยสังเกตและได้กล่าวถึงประชาชาติที่ปฏิเสธศรัทธาต่อบรรดานับีเหล่านั้นตลอดจนการลงโทษและความหายนะที่ประสบกับพวกเขาเนื่องจากการดื้อรั้นและปฏิเสธไม่ยอมศรัทธาต่อบรรดาราซูลของอลัลลอฮ์เช่นกลุ่มชนชาติของนบีนวัวอาดสมูรชาวอันซอร์พวกลูธ บทนี้ยังได้กล่าวถึงหลักฐานต่างๆที่แสดงถึงอานุภาพและความเป็นเอกภาพของอัลลอฮฺสุบะฮานูอ์ตาลารวมทั้งความประหลาดและสิ่งที่แสดงถึงความมหัศจรรย์ในการสร้างจักรวาลของพรงซึ่งเป็นการบ่งชี้ถึงอานุภาพของอัลลอฮฺและบ่งชี้ถึงความยิ่งใหญ่ของโพรงบทนี้จบลงด้วยคุณลักษณะของอิบารุดรอฮมานคือบ่าวของอัลลอฮฺ และสิ่งที่อลัลลอฮทรงยกย่องให้เกียรติแก่พวกเขาอันเนื่องมาจากการมีบรรดาที่น่าสรรเสริญสมควรได้รับการตอบแทนที่ยิ่งใหญ่ในสวนสวรรค์ชื่อของบทบทนี้ถูกใช้ชื่อว่าบทอัลฟรุรกรดทั้งนี้เพราะอาลัลลอฮ์ทรงกล่าวไว้ในบทถึงคำพีนี้ซึ่งพระองค์ทรงประทานลงมาให้แก่บ่าวขององค์คือมุฮัมมัดสลลัลฮวะลฮฺวะสลัม นับได้ว่าเป็นความโปรดปรานอันยิ่ ง, งใหญ่แก่มนุษยชาติทั้งปวงเพราะมันเป็นดวงประพิบอันจรัสและแสงสว่างอันชัดแจง้งซึ่งอัลลอฮ์ทรงแยกแยะเห็นอย่างชัดแจง้งระหว่างความจริงกับความเท็จและแสงสว่างกับความมืดและการขูโฟอกกับการอิมานดังนั้นจึงเป็นการเหมาะสมอย่างยิ่งที่จะถูกขนานนามว่าบทอัลฟุร์กอิด ด้วยพระนามของ a l ผู้ทรงกรุณาผู้ทรงเมตตาเสมอความจำเริญยิ่งแด่พระองค์ผู้ทรงประทานอัลุกรอนแก่บาวของพระองค์มฮัมหมัดเพื่อเขาจะได้เป็นผู้ตักเตือนแก่พวบาวทั้งมลู้รงระทาลุกรอบาวอพระอง์ัมเพอาดัอนบาวทั้งมว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 พวกข้าวมุสลิมได้เคารพบูชาพระเจ้าอื่นจากองค์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 ละบนาผู้ปฏิเสธศรัทธากล่าวว่าแท้จริงอัลกุรอานนี้ไม่ใช่อื่นใดนอกจากเรื่องโกหกที่มวฮัมหมัดได้กุกขึ้นเองและกลุ่มชนอื่นๆได้ช่วยเขาในเรื่องนี้ความจริงพวกเขาได้นำมาซึ่งความอายุติธรรมและการโกหก وقال أساطير الأولين كتبها ي ي และพวกเขากล่าวว่าอัลกุราณเป็นนิยายทั้งคนสมัยก่อน่อๆได้เขียนขึ้นแล้วถูกนำมาอ่านให้ขึ้นใจทั้งเวลาเช้าและเวลาเย็นจงกล่าวเถอดมูฮมมัด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 และวกเขากล่าวว่าอะไรกันกับรอสูญคนนี้เขากินอาหารและเดินในตลาดทําไมจึงไม่มีมาลากถูกส่งมากับเขาเพื่อจะได้เป็นผู้ตักเตือนร่วมกับเขาเอ้วยลก้อิลัยกันดุนเอ้วตะคูนละหูจันตุนยะกลุมินหาวะกาล الظالمون อินตะตะบิ عون อิล่ารจลัมมัสสูรา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 วความจำเริญยิ่งแดโพระงผู้ซึ่งหากพรงคทรงประสงค์จะ ใ, ให้เจ้ามีดียิ่งกว่านั้นคือมีสวนสวรรค์หลากหลายมีแม่นม้ำหลายสายไหลผ่านอยู่บื้องล่างและทรงให้เจ้ามีปรสาทหลายหลัง。 ถ้าว่าพวกเขาปฏิเสธวันอวสานและเราได้เตรียมไฟอันร้อนแรงไว้สําหรับผู้ปฏิเสธวันอวสานแล้วอเมื่อนรกยานนาเห็นพวกเขาจากที่ไกลๆพวกเขาจะได้ยินเสียงเผาไหม้และเสียงเดือดฟ่างของมาเมือไหร่ที่จะโนมันลงาน ลและเมื่อเขาถูกโยนลงไปในสถานที่แคบแคบในสภาพที่ถูกมัดมือติดกับลําคอณที่นั้นพวกเขาจะวิงวอนขอความทินาาให้แก่ตัวเขาเองจจนนในวันนี้เจ้าอย่าได้วิงวอนขอความที่น่าเพียงครั้งเดียว แต่จงวิงวอนขอความพินาศหลายหลายครั้งเถิดกล่ววาวถึงัดื่องนั้นดีกว่าหรือสวนสวรรค์อันชั่วนิรันด์ที่บรรดาผู้ยำเกรงถูกสัญญาไว้ว่า สำหรับพวกเขาจะได้รับการตอบแทนและเป็นบ้านปลายที่ดีลุ้มีในนั้นจะอยู่ตลอดกาลสำหรับพวกเขาในสวนสวรรค์ น, นั้นจะได้รับสิ่งที่พวกเขาประสงค์โดยจะพนักอยู่ตลอดกาล มันเป็นสัญญาที่ถูกวิงวรขอต่อพระผู้อภิบาลของเจ้า ว, วันที่พรงคทรงรวบรวมพวกเขาและบรรดาผู้ที่พวกเขาเขารพภักดีอื่นจากอัลลอฮ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 ر ر บรรดาผู้ที่ไม่หวังจะพบเรากล่าวว่าฉะไหนเล่ามาเลายก้าจึงไม่ถูกส่งลงมาอย่างพวกเราหรือเราไม่เห็นพระผู้อภิบาลของเราแน่นอนพวกเขาหญิงยากโสในตัวของพวกเขามาก และพวกเขาได้ละเมิดขอบเขตอย่างมากมายวันที่พวกเขาเห็นมาเลกาในวันนั้นจะไม่มีข่าวดีสำหรับผู้ ก, กระทมความผิดและมาเลกาก็จะกล่าวว่าสวรรค์จะถูกห้ามอย่างเด็ดขาดสำหรับพวกเขาแล้ว ا إ และเรามุ่งสู่ส่วนหนึ่งของการงานที่เขาได้ปฏิบัติไว้แล้วเราได้ทำให้มันไร้คุณค่ากลายเป็นฝุ่นละอองที่ปลิวว่อน ชาวสวรรค์นในวันนั้นจะอยู่ในที่พำนักที่ดีและที่พักผ่อนอันสบายยิ่งวะามะชบวะนัมาอกะตุนลันวันที่ทองฟ้าจะแตกออกจากก้อนเมกและมาลายกะฮจะถูกส่งทยอยลงมาอลมุลกุยะมะอิดิลฮักกลิลรัหมาน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 ถ้าฉันได้ยึดแนวทางร่วมกับรอซูลก็จะเป็นการดีโอ้อกความวิบัติสำหรับฉันหากฉันไม่คบคนนั้นเป็นเพื่อนแล้วน เขาได้ทำให้ฉันหลงผิดจากการตักเตือนหลังจากที่มันได้มีมาอย่างฉันและชซตตอนมันร้ายนั้นมันเป็นผู้เหยียดหยามมนุษย์เสมอและรอสูไล้กล่าวว่าโอ้พระพู้อภิบาลของฉันแท้จริงกลุ่มชนของฉันได้ยึดเอาอัลกุรอานนี้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 ผู้ใดจะหลุงทางกันแน่อร่อยเธอมลิต์ธิลาหัวหัวหัวอาฟะอาฟะอาฟอาลัยหัวคีลาเจ้าเห็นดอกหรือผู้ที่ยึดเอาอารมณ์ไปต่ำของเขาเป็นพระเจ้าของเขาแล้วเจ้าจะเป็นผู้คุ้มครองเขากระนั้นหรืออัมเธอศบอันมอักษรวมยัสม عون เอวยากิรู หรือเจ้าจะคิดว่าพวกเขาส่วนใหญ่จะได้ยินหรือใช้สติปัญญาพวกเขาไม่ใช่อื่นใดดรอกนอกจากเป็นสัตว์เดรัฉานยิ่งไปกว่านั้นพวกเขายังจะลงถามอีกแลั่งสรอิละับบิคคีฟมตต์อิลลวะลูชาล้วจัลลูซาคินา เจ้าไม่ไ ด, ด้พิจารณาดูพระผู้อภิบาลของเจ้าดอกสุ ว, ว่าโพระองค์ทรงแผงเงากระจายออกไปอย่างไรและหาพระองค์ทรงประสงค์แน่อนอนพระองค์จะทรงทำให้มันหยุดนิ่งแล้วเราได้ทำให้ดวงอาทิตย์เป็นสัญญาณหนึ่งในการนี้มุล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 ล ته, และลรแลโรงคือผู้ส่งลมเป็นการนําข่าวดีทำกลางความเวตตาบของโปร่งและเราได้ประทานน้ำสะอาดลงมาจากฝากฟ้ า, ฟา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 และพระองค์คือผู้ทรงบังเกิดมนุษย์จากน้ำอสุจิและทรงทำให้มีเชื้อสายและเขื่อยาดและพระผู้อภิบาลของเจ้านั้น เปยนผู้ ن ร ن دون الله ما لا ي ف ع ว م พวกเ ข, เขารับพระบิดิอื่นจากอัลลอ์ซึ่งมันไม่คุนแก่พวกเขาและไม่โทษแก่พวกเขาและผู้ปฏิเสธศรัานั้นเป็นผู้ชั่งละเช่นก่อน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 ้องกล่าวเถิดมัวหมัดว่าฉันไม่ได้ขอค่าจ้างจากพวกเจ้าในการเผยแพร่เว้นแต่ว่าผู้ใดประสงค์ให้เขายึดเป็นแนวทางไปสู่พระผู้อภิบาลของเขาและเจ้าจรงมอบหมายต่อพระผู้ทรงเป็นตลอดกาลซึ่งไม่ตาย และจงแท้สองด้วยการสันเสริญพระองค์และพอเพียงแล้วสำหรับพระองค์ผู้ทรงรอบรู้ในความผิดทั้งหลายของปวงบาวของพระองค์พระผู้ทรงสร้างบรรดาชั้นฟ้าและแผ่นดินและสิ่งที่มีอยู่ระหว่างทั้งสองนั้น <umuz>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 และพ ว, วงเบาวของพระผู้ทรงกรุณาคือบรรดาผู้ที่เดินบนผ่นดินด้วยความ ส, มสงบสงียมและเมื่อพวกงโง่เขากล่าวทักถ่ายพวกเขาพวกเขาจะกล่าวว่าสันติ َالَّذِينَ يَبِيْتُونَ บรรดาผู้ทีิใช้เวลากลางคืนทำการสุญูดและยืนละหมาดเพื่อพระผู้อภิบาลของพวกเขา َالَّذِينَ يَقُولُونَ نَصْرِفْ عَنَّا جَهَنَّمْ บรรดาผู้ที่กล่าวว่าโอ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 จะบรรดาผูท้ที่เมื่อพวกเข า, ชาใช้จ่ายพวกเขาก็จะไม่สุรุยสุร่ายและไม่ตรณีและระหว่างสองสภาพนั้นพวกเขาอยู่สายกลาง วและไม่ฆ่าตนผู้ที่ไพระองค์ AH, ลคทลอประทานให้ววแต่เพื่อความยุติธรรมและพวกเขาไม่ผิดประเวณีและผู้ใดกระรรทำเช่นนั้นเขาจะได้พบกับความผิด การ ล, ล, ลงทวดในวันประโลกจะถูกเพิ่มขึ้นเป็นสองเท่าสำหรับเขาและเขาจะอยู่ในนั้นอย่างอภยศการลงโทษในวันพราโลบจะถูกเพิ่มขึ้นเป็นสองเทาสำหรับเละยูนนัอ้อย่าอ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 แท้จริงเขากลับเนื้อกลับตัวเข้าหาอาลัลลอฮ์อย่างจริงจังและบรรดาผู้ไม่เป็นพยานเทศและเมื่อพวกเขาผ่านเรื่องไร้าสาระพวกเขาก็ผ่านไปอย่างมีเกียรติลด้าทศ่อาารืองไร้สาระพวกเขาก็ผ่านไปอย่างมีเกีย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 เ ล, ล า, าลดินนั้นพัสเนตมุตตร์รอว์แลมุามาโดยเป็นผู้พำนักอยู่ในนั้นอย่างถาวรซึ่งเป็นที่พำนักและเป็นที่พักอาศัยที่ภู ม, มิฐาน ต้องกล่าวเถิดมูฮัมหมัดว่าพระผู้อบาพของฉันจะไม่ใยดีต่อพวกเจ้าหากไม่มีการมีมวลของพวกเจ้าความจริงพวกเจ้าได้ปฏิเสธไม่รับฟังดังนั้นการลงโทษจะเกิดขึ้นอย่างแน่นอน